ตอนที่112ผู้สืบทออตระกูลหยวนเป็นไปได้ยังไงนิวซูเฟินเห็นลูกชายเป็นดั่งแก้วตาดวงใจนางไม่ใช่ไม่รักลูกชายแต่ไม่ชอบตัวขาดทุนที่ลูกสะภ้ายคลอดออกมาต่างหากไม่รู้ว่าบ้านนี้ไปทำกรรมอะไรไว้ถึงได้คลอดออกมาเป็นลูกสาวกันหมดลูกสาวพวกนี้เลี้ยงไปจะมีประโยชน์อะไรพอโตขึ้นก็ต้องแต่งออกไปเป็นคนบ้านอื่นอยู่ดีลูกชายไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนางรู้ดีว่าลูกชายเป็นคนใจบุญ เจียนเย่ A ผู้ชายเรายัางไงก็ต้องมีลูกชายไว้สักคนตระกูลเราต้องการหลานชายไว้สืบสกุลที่แม่คิดแบบนี้ก็เพระอยากให้พวกเจ้ามีหลานชายให้แม่ไวไวไงล่ะแต่ผลที่ได้กลับเป็นลูกสาวอีกแล้วหากแม่คิดจะอุ้มหลานชายอย่างน้อยก็ต้องรอไปอีกสองปีหนิวซูเฟินร้อนใจยิ่งนักนางต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลพวกเขาแต่กลับไม่รู้จะไประบายกับใครได้จึงทาได้เพียงระบายความไม่พอใจทั้งหมดลงที่เด็กคนนี้ถ้าเจ้าไม่อยากฟังวันหลังแม่ไม่พูดแล้วก็ได้ดีไหมเฮ้อ แม่ไม่ต้องมาแซงทำเป็นยอมผมหรอกโจวเจี้ยนเย่ซึ่งถึงความเสแสร้งของนางอย่างท่องแท้แล้วพูดไปแล้วในกระดูกของนางก็คือพวกที่ให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแม่แม่ไม่ได้เรียนหนังสือผมเข้าใจได้ว่าแม่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์งั้นผมจะบอกความจริงกับแม่เองจริ ง, รงๆแล้วการจะเกิดเป็นลูกชายหรือลูกสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หญิงแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ชายขึ้นอยู่กับผมโจวเจี้ยนเย่ชี้ที่หน้าอกตัวเองแล้วกล่าวเสียงเย็นแม่ไม่ชอบชิงผิงแต่ผลเป็นไงละท้องที่สองของนางคลอดออกมาเป็นลูกชาย ถ้าผมไม่อยากกับนางป่านนี้ผมคงมีทั้งลูกชายลูกสาวครบถ้วนไปแล้วยังมีเสียหวานอีกแม่ดูถูกเด็กคนนี้แต่เด็กคนนี้กลับสร้างชื่อเสียงที่สุดวันนี้ตอนเช้าผมไปดูคะแนนเป็นเพื่อนลูกมาคะแนนที่นางสอบได้สามารถเลือกมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศได้ตามใจชอบแถมพวกอาจารย์และศาสตราจารย์ยังต้องแย่งตัวนางกันให้ควากเด็กคนนี้คืออัจฉริยะหนิวซูเฟอร์ยังคงไม่เชื่อนางไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยสักวันเป็นไปได้ยังไงนี่คือความจริง โจวเจี้ยนเ ย, ย่เห็นนางยังปากแข็งจึงกัดฟันพูดต่อถ้าแม่ไม่เชื่อก็รออ่านหนังสือพิมพ์เอาเองเถอะสอบได้คะแนนดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องลงหนังสือพิมพ์แน่นอนหนิวซูเฟินทำหน้าปัญญาคสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วยังไงละ่ะสุดท้ายก็ต้องแต่งเข้าบ้านอื่นอยู่ดีทำไมไม่ยังมีความคิดที่งมงายไร้สติแบบนี้อีกต่อให้นางแต่งงานไปนางก็ยังเป็นลูกสาวของผมอยู่ดี อย่างน้อยตอนนี้ลูกสาวของผมสอบได้คะแนนดีขนาดนี้คนนอกมีแต่จะพูดว่าลูกสาวของโจเจี้ยนเยี่ยเป็นอัจฉริยะไม่ใช่ลูกสาวของเจิ้งอวิน๋นฉงโจเจี้ยนเยี่ยกโกรธจัดตัวนางเองเก่งกาจถึงเพียงนี้วันหน้าผู้ชายที่นางจะหาได้จะได้ไปกว่านางได้ยังไงได้ลูกเขยดีดีมันไม่ดีตรงไหนหนิวซูเฟินนางเริ่มจะคิดได้ขึ้นมาบ้างแล้วแม้การเกิดเป็นลูกสาวจะไม่มีประโยชน์ใหญ่โตอะไรนะักแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่บ้าง วันหน้าหากทางบ้านเดิมมีเรื่องให้ช่วยก็สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลารวมถึงหลานชายในอนาคตของนางก็จะได้รับผลประโยชน์จากพี่สาวแท้ๆคนนี้ด้วยหนิวซูเฟินขมวดคิ้วแล้วหลีหว่านนางไม่ได้อธิบายกับคนอื่นหรือว่าเจ้าเป็นพ่อแท้ๆไม่ใช่เจิ้งอวิน๋นฉงอธิบายแล้วมุมปากของโจจี้นเยี่ยประกดรอยยิ้มเย้ยหยันนางอธิบายว่าต่อให้ผมจะเป็นพ่อแท้ๆแต่นางก็จะไม่ยอมรับผมเด็กขาดอะไรนะเย่เด็กคนนี้ทำเกินไปแล้ว กล้าทาแบบนี้กับเจ้าได้ยังไงช่างไม่มีมารยาทเอาเสียเลยใจแลกใจสิแม่เมื่อก่อนแม่ยังคิดจะฆ่านางเลยแล้วนางมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมายอมรับผมเป็นพ่อด้วยโจวเจี้ยนเยีย่ไม่อยากพูดอะไรอีกแม้ทํำไมยังทาตัวเกินไปแบบนี้อีกเชื่อไหมว่าวันหน้าเด็กๆในบ้านจะไม่มีใครเหลียวแลแม่เลยแม่อายุมากขึ้นทุกวันจะไม่มีวันแก่เท่าเลยหรือไงหนิวซูเฟินเงียบไปทันทีโจวเจี้ยนเยี่ยนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ในใจเองคงรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุด เขาเสียใจแล้วความจริงเขาเสียใจจะลำไส้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเสียใจภายหลังอย่างหนักมาตั้งนานแล้วตระกูลหยวนเจ้างเศ้าเหิงเปลี่ยนนามสกุลเป็นหยวนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ตามความต้องการของเขานามสกุลเปลี่ยนได้แต่ชื่อห้ามเปลี่ยนคนตระกูลหยวนรู้สึกว่าไม่เป็นไดานามสกุลต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดความซับซ้อนภายในตระกูลหยวนนั้นเกินกว่าที่หยวนเศ้าเหิงคาดการไว้มาก ท่านผู้เฒ่าหยวนและฮูหญินเฒ่าหยวนทั้งสคนยังมีสุขภาพแข็งแรงดีพวกเขามีลูกสาวสองคนและลูกชาย2คนโดยลูกชายคนโตคือหยวนเฟยซึ่งก็คือพ่อของหยวนเซาห์เหิงส่วนลูกคนที่2และ3าเป็นลูกสาวที่แต่งงานออกไปเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตระกูลที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจและคนสุดท้ายคืออาศตระกูลหยวนนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่3ของตระกูลหยวนซึ่งนำโดยหยวนเซาเหิงรวมทั้งหมดมีห้าคนหยวนเฟยมีลูกชาย1คนลูกสาวหนึ่งคนส่วนอาศตระกูลหยวนมีลูกชาย3คน หยวนเฟยรับผิดชอบธุรกิจหลักของบริษัทส่วนลูกสาวคนอื่นๆและอาซีต่างก็มีตำแหน่งในบริษัทและรับผิดชอบโครงการต่างๆเดิมทีหยวนเศร้าเหงไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนเช่นนี้สวีอวีเสียดูออกว่าลูกชายไม่ชอบนางจึงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกชายปรับตัวได้โดยเร็วคนตระกูลหยวนต่าง ม, มีความคิดที่แตกต่างกันต่อหลานชายคนโตของบ้านใหญ่ที่จูจูก็โผล่มาคนนี้ หากจะพูดว่าใครไม่พอใจที่สุดก็คงจะเป็นอาสีตระกูลหยวนเพราะหากเด็กคนนี้ไม่กลับมาลูกชายทั้งสมคนของเขาก็มีโอกาสสูงที่สุดที่จะได้รับการฟูมฟักให้เป็นผู้สืบทอดแต่แล้วกลับมีเฉิงจิงเหลียงคนนอกที่มาแย่งผลประโยชน์โผล่มากลางคันทำให้แผนการทั้งหมดของเขาพังทลายลงและแล้วก็ถึงวันรวมญาติทานมื้อข้ามประจำสัปดาห์ที่ต้องแซงทำเป็นครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวหยวนเศร้าเหิงทานข้าวเสร็จก็เตรียมจะกลับห้องตามปกติแต่อาสีตระกูลหยวนกลับเรียกเขาไว้กระทันหัน เดี๋ยวก่อนสวีอวิเสียและหยวนเฟยต่างมองเขาด้วยความไม่พอใจที่ใหญ่พี่สะพายอย่าหาว่าผมไม่เตือนเลยนะลูกชายคนนี้ของพวกพี่นิสัยสันโดษซอเกินไปแล้วหรือว่าจะมีปัญหาทางจิตอะไรหรือเปล่านี่ก็กลับมาตั้งนานแล้วแต่ยังทำตัวไม่สนิทสนมกับคนในบ้านแม้แต่คำพูดยังไม่อยากจะเอ่ยสักสองคำท่านพ่อยังหวังจะให้หลานชายคนโตของบ้านใหญ่คนนี้เป็นผู้สืบทอดนะแต่พวกพี่กลับทาให้คนแก่ต้องเสียใจเสียได้ คำพูดนี้ประสบความสําเร็จในการกระตุ้นความระแวดระวังของท่านผู้เท่าหยวนแม้เขาจะไม่รู้ว่าหลานชายมีปัญหาทางจิต จ, จริงหรือไม่แต่ปฏิกิริยาของหลานชายคนนี้เขาไม่ชอบเลยหากไม่มีค่าพอที่จะฟูมฟักเขาจะยกเลิกฐานะผู้สืบทอดของเด็กคนนี้ทันทีตอนนี้ลูกชายคนโตบริหารบริษัทได้ไม่เลวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้สืบทอดคนต่อไปของบริษัทจะต้องเป็นลูกชายของเขาเพื่อผลประโยชน์ระยะ ย, ยาวของบริษัทเขาจําเป็นต้องเลือกผู้สืบทอดที่ยอดเยี่ยมที่สุดออกมา ท่านพ่อเซาเหงิงเพิ่งจะกลับมาสู่ครอบครัวใหญ่ของเราย่อมต้องมีหลายอย่างที่ไม่คุ้นเคยเป็นธรรมดาไว้ชั้นจะค่อยๆปรับความเข้าใจกับลูกเองเราต้องให้เวลากับเด็กบ้างท่านว่าจริงไหมคะสวีอวีเสียอธิบายอย่างระมัดระวังใช่ครับหยวนเฟยพ ย, ยักหน้าเบาๆลูกของผมไม่มีปัญหาทางจิตแน่นอนกับคนในบ้านนี้เดิมทีก็ไม่สนิทกันอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแซงทําเป็นสนิทสนมค่อยๆไปเถอะครับฮือ <c oughs> อาศีตระกูลหยวนแค่นหัวเราออกมา พี่ใหญ่พี่สะพายผมว่าพวกพี่นั่นแหละที่ไม่ยอมรับความจริงเด็กคนนี้ถ้าได้รับการฟูมฟักในบ้านเรามาตั้งแต่เล็กย่อมไม่เติบโตมาเป็นแบบนี้แน่เด็กโตขนาดนี้แล้วคิดจะมาฟูมฟักใหม่เกรงว่าจะยากเสียแล้วผมเข้าใจว่าพวกพี่ดีใจที่ได้ลูกกลับมาแต่คนค น, นี้ไม่ใช่แค่ลูกของพวกพี่เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สืบทอดของตระกูลหยวนเราด้วยจะยอมให้มีความผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวไม่ได้เด็กขาด